ได้ละทิ้งครอบครัวละทิ้งประสาทราชวังละทิ้งเครือญาติออกบวชแต่เมื่อพระองค์ได้ตัดสรู้แล้วเนี่ยไม่นานก็เสด็จกลับกรุงกบิลพัทแล้วก็ไปโปรดญาติโยมตั้งแต่พระบิดา พระมเมหีอดิพระมเมหศีพระนางยโสธรารวมนั่งลูกชายแล้วก็พระประยุรญาติทั้งมวลในครั้งนั้นก็มีพระญาติหลายท่านได้ตามเสด็จออกบวช ด, ด้วยอันหนึ่งในนั้นก็คือพระพัทิยะพระพัทถญาณนี้ก็ถือเป็นเป็นเจ้าที่มีอำนาจ นะแล้วก็มีสถานะค่อนข้างจะสูงทีเดียวเดิมทีท่านก็ไม่ได้ตั้งใจจะออกบวชนะแต่ว่าทนการรบเร้าของเพื่อนคือพระ อ, อนุรุธทธะไม่ได้ไม่ได้บวช ด, ด้วยศรัทธาเลยเพราะเห็นว่าชีวิตที่เป็นอยู่ก็สุขสบายดีอยู่แล้วแล้วก็ยังมีฐานะมี ตำแหน่งมีความรับผิดชอบที่ต้องดูแลท่านคงคิดว่าคงไปบวชชั่วคราวแหละส่วนพระอนุรุธทานนี่ก็ไม่ไ้ตั้งใจบวชเพราะศรัทธาเหมือนกันนะจิงและพี่ชายเข้าใจก็คือพระมหานามะเนี่ยตั้งใจจะบวชก็เลยมอบภาร ก, กิจการงานให้พระอนุรุธะพระอนุรธทานนี่ท่านเป็นคนรักสบาย พอรู้ว่าจะต้องมีภารกิจใดต้องทําบ้างรวมทั้งการนําผู้คนทํานาพิธีนี้ก็คืเป็นพิธีแรกนาขวัญอย่างนั้นสมัยก่อนนี่เจ้านี่ก็ทํานานะอาจจะทํานาเพื่อเป็นสั ญ, ญลักษณ์พอทะรู้ว่าโมีภาระเยอะเหลือเกินเนี่ยไม่เอาดีกว่าไปบวช ด, ดีกว่าเพราะบวชนี่ไม่ต้องทํางานนะที่แล้วไม่อยากบวชเพราะพราะรู้ว่าบวชแล้วนี่ก็ ต้องฉันมือเดียวครองผ้าสามผืนลําบากแต่พอรู้ว่าถ้าไม่บวชนี่จะต้องมีภาระตามมาจากการมอบหมายของพี่ชายก็เลยคิดว่างั้นพี่ชายอยู่ดีกว่านะผมออกบวช ด, ดีกว่าออกบวชแล้วนี่พ่อแม่ก็ไม่ยอมจนกว่าจะมีเพื่อนมาบวช ด, ด้วยตามไปด้วยก็เลยไปลบเล่าเนี่ยพระปฏิยาให้มาบวชพระปฏิยานี่ตั้งใจ ไม่ได้ตั้งใจบวชนะแต่พอบวชไปได้สักพักได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระรัตเจ้าในที่สุดก็บรรลุธรรมวันหนึ่งท่านก็นั่งอยู่ผู้ดเดียวแล้วก็พึพรรมพำออกมาว่าสุขหนอสุขหนอเพื่อนพระได้ยินก็สงสัยว่าให้ท่านคงจะล้ำลึกถึงความสุขครั้งเป็นอ่า คารวาเป็นคุรรหรเป็นผู้ปกครองหรือเปล่าเป็นราชาก็เลยไปทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกพระปฏิยะมาเราก็ถามว่าจริงไหมที่ท่านผู้เช่นนั้นพระปฏิยาก็ตอบว่าใช่พระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าทําไมพระปฏิยาก็เลยตอบว่าเนี่ยตกรตอนที่เป็นคุรรหรมีอํานาจมาีบริษัทบริวารเยอะ แม้ว่าจะอยู่สบายมีทรัพยสมบัติพร้อมพรั่งแต่ว่าก็ไม่มีความสุขเลยอยู่ด้วยความสะดุ้งกลัวา จ, าจะสะดุ้งกลัวคนที่จะมาทำร้ายก็มังแล้วก็มีความวิตกกังวลแต่พอได้มาบวชเท่านั้นที่ชีวิตก็ไม่ได้สะดุกสบายฉันมือเดียว อาหารก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์มันก็ตอนที่เป็นพระราชาและต้องอยู่คนเดียวด้วยนะปริวิเวกอยู่ในป่าอยู่ใต้อยู่โคนไม้นะแต่ว่าท่านมีความสุขที่มีความสุขเพราะว่าท่านได้ปฏิบัติจนกระทั่งเห็นความจริงเห็นสัจธรรมก็เห็นอย่างที่เราสาธยายเมื่อสักครู่นะว่าสังคารทั้งหลายทั้งปวงมัน มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทาทั้งหลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตก็ปล่อยวางปรใจิตปล่อยวางนะก็โปร่งเบาแต่ก่อนมันทุกข์นะถึงแม้ว่าจะร่ำรวยถึงแม้าจะมีบริษัทบริวารแต่ก็ทุกข์ทุกข์เพราะแบกเอาไว้นะแบกอะไรแบกขันทั้งห้านะอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยขันทั้งห้าเป็นของหนักเนะ อ, อขันทั้งห้านี่ก็ ตัวการแรกตัวแรกคือรูปนะรูปนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะร่างกายนะแต่รวมไปถึงทรัพสมบัตินะมันก็เป็นรูปอย่างหนึ่งก็ไปยึดไปยึดเอาไว้ยึดว่าเป็นเราเป็นของเรายึดด้วยความอยากจะได้มากยึดอยากจะให้มันเที่ยงอยากจะให้มันสุขอันนั้นแหละทําให้เป็นทุกข์แต่พอเห็นความจริงว่ามันมันยึดไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ มันไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตนไม่มีใครบังคับบัญชาได้ก็วางพอวางาจิต ก, ก็หลุดพ้นเป็นสุขนะอิสภาวาินเนี่ยทําทำให้ท่านปลุกขึ้นมาพุมพางขึ้นมาว่าสุขหนอสุขหนอนะซึ่งมันเป็นสุขที่เรียกว่าสวนทางกับความสุขที่ชาวโลกเขาชื่นชมนะพะสุขของชาวโลกนี่ เป็นสุขจากการที่มีมากๆเป็นสุขที่ต้องสแสวงหาสแสวงหาเพื่อจะได้มีมากๆแต่ยิ่งมีมากก็ไม่ได้มีความสุขมากขึ้นเลยนะกลับทุกขเพราะต้องคอยหวงแหนต้องคอยรักษาเอาไว้พระปฏิญาท่านก็เปรียบเทียบได้ด้วยตัวเองนะว่าไอ้ตอนที่มีเยอะๆเพราะอยากได้อยากมีมันไม่ได้สุขเลยนะแต่พอไม่มี น็แถม อ, อยู่อย่างเรียบง่ายด้วยกนะับเป็นความสุขเพราะว่าเป็นสุขเกิดจากการปล่อยเกิดจากการวางนะที่ท่านพึมพมวมาสุขหนอสุขหนอนี่มันก็ตรงข้ามกับอีกคนนึงนะที่พึมพาขึ้นมาว่าบุญวายหนอขัดข้องหนอนะยะสกุล ร, ระบุตนี่เป็นลูกเศรษฐีนะ มีภาษาสามหลังนะเรือว่ารวยรพอๆกับเจ้าชายสิทธัตถะหรือเจ้าชายสิทธัตถะก็มีภาษาสามหลังยัตสะหรือเขาเรียกว่ายัตสระกุลบด์นี่ก็มีภาษาสามหลังเหมือนกันแต่ไม่มีความสุขเลยชีวิตท่านก็ ค, คล้ายๆกับเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็มีบางฉากบางตอนก็ ค, คล้ายๆกับเ จ, าาถถนะเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะนี่ ตื่นขึ้นมาคืนหนึ่งเห็นนางสนงกำนันหญิงสาวฟ้อนรำต่างๆนอนก่ายกันดูแล้วเนี่ยเหมือนซากศพยะสกุลบุตก็พบประสบฉากคล้ายๆกันเลยก็ทำให้เกิดความเบื่อนหน่ายเห็นหญิงสาวที่สวยงามต่างๆนี่พอพอสลบสลายแล้วก็ ไม่ได้หน้าชื่นชมอะไรเลยก็เลยเกิดความเบื่อนหน่ายเดินออกมาจากประสาทนะแล้วก็บ่นพึมพำว่าที่นี่วุ่นวายเนอที่นี่ขัดข้องหนอเดินไปจนถึงปายสิบปัตนนัมลูกกทายวันก็เจอพระติจ้าพระองค์ตัดว่าที่นี่ไม่วุ่นวายเนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอก็เอดใจก็เลย หันมาสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ที่แรกเป็นพระโสดาบันก่อนต่อหลังได้ฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งขณะที่พระเจ้าแสดงธรรมให้พ่อแม่ซึ่งกําลังตามหายศกุลบุตรท่านฟังธรรมอีกครั้งที่สองก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยทั้ที่ยังไม่ได้ออกบวชอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนซึ่งมีมากเท่าไหร่ก็ไม่พบสุข แต่ว่าพอปล่อยพอวางเข้ากลับมีความสุขนะสุขทางโลกสุขทางธรรมมันต่างกันนะสุขทางโลกนี่มันต้องอาศัยการสแสวงหาและครอบครองและสะสมนะแต่ว่าสุขทางธรรมมันตรงข้ามนะคือต้องปล่อยต้องวางนะที่จริงระหว่างการแบกกับการการปล่อยเนี่ยเราก็คงเห็นแน่ไม่ยากนะว่า ไอ้ปล่อยนี่มันสบายกว่าแบกแต่ว่าผู้คนก็พอใจที่จะแบกเพราะเห็นว่าไอ้สิ่งที่แบกนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขหรือมันให้ความสุขได้แต่ในเวลาเดคํากมันก็เป็นภาระด้วยมันเป็นภาระที่ต้องรักษาจะรักษายังไงมันก็ไม่สามารถจะรักษาได้ เพราะว่าในสุดก็ต้องเสื่อมสลายสูญหายไปเมื่อมันสูญสลายหายไปนี่ก็ต้องเสียใจนะมีความเศร้ามีความวิตกกังวลนะทั้งที่สิ่งที่มีอยู่ยังมากนะยังมีมากอยู่แต่ก็ยังเป็นทุกข์มีโยมคนหนึ่งแกไปไปเยี่ยมที่วัดนะที่พู้หลงแล้วก็ไปเล่าว่าเนี่ย เป็นอาสาสมัครรับโทรศัพท์สายด่วนฮอตไลน์ส่วนใหญ่คนที่โทรศัพท์มาก็เป็นคนที่กลุ้มใจบางคนก็เครียดอยากจะฆ่าตัวตายเพราะอกหักบ้างเพราะว่าธุรกิจล้มละลายบ้างเป็นหนี้เป็นสินนี่ล้นพ้นตัวหาทางออกไม่เจอชีวิตหมดหวังอาสาสมัครก็ทำหน้าที่คุย ที่รักฟังก่อนฟังแล้วก็พูดให้กำลังใจมีลายหนึ่งโทรมาฟังจากปัญหาที่เขาพูดก็รว่เป็นนักธุรกิจและเป็นนักธุรกิจใหญ่ด้วยเราเครียดมากถามว่าเครียดเพราะอะไรคุยไปคุยมาก็เครียดเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันย่ำแย่ย่ำแย่อย่างไงนะเขาก็เล่าวันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมีกำไรหมื่นล้าน แต่ปีนี้มีกำไรแค่ห้าพันล้านทุกเนี่ยกลุ่มใจมากเลยไม่ได้ขาดทุนนะไม่ได้ล้มละลายนะแค่ว่ากำไรมันน้อยลงกว่าเดิมจากหมื0 0ล้านเป็นห้าพันล้านนย่เครียดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเนี่ยทรัพย์สินเงินทองมันกลายเป็นกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเองคือพอไปยึดติดถือมั่นกับมันแล้ว นะก็ต้องรักษาต้องเพิ่มพูนพอมันพอมันหายไปถ้ทั้ง ท, ที่ที่เหลืออยู่ก็ยังเยอะนะแต่ว่าทุกสละแสดงว่า ม, มันไม่ได้ให้ความสุขที่แท่งแท้หรือว่ามันไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงต่อเมื่อปล่อยนะต่อเมื่อสละต่างหากนะนะถึงจะสุขได้ สุขด้วยความโปรง่งความเบานอันนี้เป็นสุขทางธรรมนะมันสวนทางกับสุขทางโลกสุขทางโลกต้องสแสวงหาให้ได้เยอะๆแต่สุขทางธรรมเกิดจากการปล่อยเกิดจากการวางนปล่อยวางในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าไม่จเป็นต้องหมายถึงการสละหมดนะอาจจะยังมีอยู่ก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับมัน ก็คือว่าเมื่อมันสูญหายสลายไปก็ไม่ได้ทุกอะไรแต่ขณะที่มันยังอยู่กับเราเราก็ใช้มันไม่ได้ให้มันใช้เราให้ทรัพย์สินเงินทองนี่ถ้าวางใจไม่ถูกนะมันใช้เรานัไม่ใช่เราใช้มันและที่มันใช้เราก็เพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมันว่ามันเป็นของเราเราก็เลยกลายเป็นของมันทันทีเลย ไปยึดมันถือมั่นว่าน เ, นเงินเป็นของเราเงินเป็นของเรานะพอมีโจรมาปล้นบอกเอาเงินมาหลายคนเนี่ยทำยังไงแทนที่จะรักษาชีวิตไว้กลับต่อสู้ขัดขืนต่อสู้ขัดขืนเพราะละเพราะต้องการรักษาเงินเอาไว้โจรก็เลยทําร้ายบางทีพิการหรือถึงตายอันนี้แสดงว่ารัก เงินทองมากกว่ารักตัวเองเพราะถ้ารักตัวเองนี่ก็ต้องยอมนะยอมสละเงินไปยอมสล ะ, ะกระเปา๋ายอมสละสมบัติให้มันให้โจรไปแต่ว่าคนเป็นนันมากเนี่ยรักเงินมากกว่ารักชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรักษาพยายามรักษาเงินทองเอาไว้รักษาทรัพย์สมบัติเอาไว้ยอมตายยอมตายเพื่อมัน คนเป็นจำนวนมากยอมตายเพื่อทรัพย์สมบัตินะโจรป้นก็ยอมตายดีกว่าจะให้โจรเอาไปแล้อย่างนี้จะเรียกว่ามันเป็นของเราหรือว่าเราเป็นของมันกันแน่บางทีไฟไหม้บ้านโอยตกใจเสียใจแหนเพชรสร้อยทองอยู่ในบ้านเสียดายมากนยะยอมนะยอม ยอมเสี่ยงชีวิตเนี่ยเข้าไปในบ้านไปเอาทรัพย์สมบัติเรานั้นออกมาไม่อยากให้มันเนียนเป็นไปนี่ยอมตายเพื่อมันและอย่างนี้จะเรียกว่ามันเป็นของเราหรือว่าเราเป็นของมันกันแน่ถ้ามันเป็นของเราเราก็ต้องรักตัวเองมากกว่ารักมันนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ตัวนะรักมันมากกว่ารักตัวเองยอมตายได้เพื่อมัน อันนี้แหละก็เรียกว่ามันมันไม่ได้การที่เราวางจิตวางใจไม่ถูกต้องเนี่ยก็กลายไปว่าแทนที่เราจะใช้มันมันกลับใช้เรามันใช้เราให้ไปตายก็ได้แต่ถ้าเราใช้มันนี่มันอีกแบบหนึ่งเลยนะถ้าเราใช้มันเราเป็นนายมันอย่างแท้จริงเราก็จะไม่ทุกข์เพราะมันแต่เราจะใช้มันเพื่อทาให้เกิดความสุขทาให้เกิดความเจริญ เราจะใช้มันได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่ว่ามันเป็นของเราพอเรายึดมันถือมั่ว่ามันเป็นของเราเมื่อไหร่เรากลายเป็นของมันไปทันทีไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นนะเกียรติยศชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งความคิดอุดมการณ์ถ้าไปยึดว่ามันเป็นของเราเมื่อไหร่เราเป็นของมันทันทีนะบางทีทะเลาะกันฆ่ากันตายเพราะว่าถ้าเห็นแตกต่างกัทางความคิดนะ ยอมตายเพื่อรักษาปกป้องความคิดเอาไว้หรือยอมตายเพื่อรักษาหน้าของตัวเอาไว้อันนี้ก็เห็นเป็นตัวอย่างมากมายอั น, นีการปล่อยวางเนี่ยนะมันก็หลายคนก็อย่างที่พูดกันนะว่ามันพูดง่ายแต่ทายากแต่ว่าเราก็สามารถจะทำเป็นเป็นท่านเป็นตอนไปได้นะ เอาง่ายๆเนี่ยเราอาจจะยังปล่อยวางเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องชื่อเสียงเกติยศได้ยากนีแต่เราจะเริ่มด้วยการปล่อยวางหรือสละอารมณ์ที่มันเป็นอกุศลในใจอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วนะมันเป็นโทษอยู่แล้วเราก็ย่อมเห็นประโยชน์ของการปล่อยการวางย่อมไม่ต้องถึงขั้นปล่อยวาง หรือละโลภ ก, กดลงกันนะนี้มันยากเอาแค่ละสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่า น, นิวรก่อนดีกว่านิวร์เนี่ยมันก็หมายถึงอารมณ์ที่มันเป็นเครื่องขัดขวางความดีใครเวลาเกิดนิวรขึ้นมันทำให้เกิดทาให้ไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีความรู้สึกตัวนิวรได้แก่อะไรนะอันแรกคือ การมาราคาการมาราคะนี่ท่านก็หมายถึงไอ้ความความอยากเสพอารมณ์ที่อร่อยยังไม่ตถึงถึงขั้นถอนความโลภออกไปนะเอาแค่ว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยอย่างเวลาเราปฏิบัติเราจเจริญสติเดินจงกรมมันคิดถึงอาหารที่อร่อยมันคิดถึงแฟนเนี่ยอันนี้เรียกว่าการมาราคาแล้วแล้วพอมันเกิดขึ้นมามันทําให้ไม่อยากปฏิบัติแล้วหรือว่าทําให้การปฏิบัตินั้น เป็นไปด้วยความทุกข์นะนะเวลาเวลานักปฏิบัติเนี่ยจะทำสมาธิเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยคือเครื่องขัดขวางบางทีตั้งใจะจะทำแต่ว่าเปิดโทรทัศน์เห็นละครติดใจอยากจะดูก็ทำให้เลิกความคิดที่จ ะ, จะเจริญสตินั่งสมาธิ ละครที่ดูแลเพลินอันนี้ก็เรียกว่าการมาราคาได้นะติดหนังติดละครติดเพลงอนะ่ะพวกนี้แหละการมาราคะหรือว่าเพลินกับมันจนกระทั่งไม่เอาละสมาธิไม่เอาละนะเจริญสติหรือว่าถ้าเป็นเด็กก็ไม่เอาละการบ้านฉันไม่ทํำละอันนี้ก็เรียกาการมาราคาได้นะอันที่สองเนี่ยคือพยาบาทก็คือความหงุดหงิดลาคาญใจปฏิบัติไปแล้วเกิดความ เเกิดความหงุดหงิดรู้สึกไม่พอใจเสียงที่ได้ยินมาจากในครัวหรือว่าไม่พอใจคนข้างๆที่คุยเขาคุยกันอันเนี้ยเกิดความหงุดหงิดพาให้ไม่อยากปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติด้วยความขุนเคืองใจอันที่สามคือความง่วงเหานอนฉีนมิมิ t ะ a อ้นนอ้ปฏิบัติ ก็จะต้องเจออารมณ์นี้บ่อยมากโดยเพราะใหม่ๆมันจะมีความงงๆเหาหาน้อยเยอะเนทั้ง ท, ที่นอนเต็มที่แล้วแต่พอตอนเช้าปฏิบัติไม่ถึงชั่วโมงก็ง่วงแล้ะหรือว่ากำลันแสกๆยกมือสร้างจาาังหวะครึ่งชั่วโมงก็ง่วงแล้วบางคนสิบ้านาทีก็ง่วงแล้วทำให้ไม่อยากปฏิบัติท้อแท้ นอกจากธินมิถะแล้วก็ยังมีตัวหนึ่งนะคือว่าอุทธจักกกุจกจัคือความกระสับกระสายความว้าวุ่นตัวตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นประจําคือความฟุ้งซ่านอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอุทธจักกุจ ก, กจะรวมทั้งความวิตกกังวลด้วยเนี่มันเกิดขึ้นทีไรนะก็จิตใจไม่เป็นสุขนะไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาปฏิบัตินะอยู่เฉยๆถ้ามีตัวนี้ขึ้นมาก็กระสับกระสายแนละ้ว อยากจะไปทำโน่นทำนี่แทนไม่อยากอยู่คนเดียวอยากไปคุยกับเพื่อนมากกว่าจะได้ลบจะได้ระ ง, งับไอ้ความฟุ้งซ่านแล้วตัวสุดท้ายคือความสงสัยความรังเรสงสัยวิจิกิจฉาอันนี้คืออารมณ์ที่มันรบ ก, กวนจิตใจโดยเพราะเวลาปฏิบัติจเจริญสติ แต่ที่จริงแล้วเนี่ยถึงแม้ไม่ได้เจริญสตินะเวลาอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานมันก็รบ ก, กวนมันก็สามารถเกิดขึ้นแล้วก็รบ ก, กวนจิตใจเราได้เราจะเริ่มต้นด้วยการปล่อยวางนะอารมณ์เหล่านี้นะจะให้ปล่อยวางทรัพย์สมบัติจะให้ปล่อยวางลาบสบักการะชื่อเสียงนี่มันยากเพราะเรายังหลงสเสน่ห์ของมันนะแต่อารมณ์เหล่านี้เนี่ยตัวห้าตัวเนี่ยนะมันเราคงเห็น ดีด้วยว่าเนี่ยปล่อยวางได้ยิ่งดีเท่าไรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหลากว่าเรามีสติมีความสึกตัวเนี่ยอารมณ์พวกนี้มันก็ครอกกำจาจได้ยากถ้าเรามีสติรู้ทันอารมณ์พวกนี้เนี่ยนะมันก็เหมือนกับเจ้าของบ้านที่ดูแลบ้านดีมันก็ไม่เปิดช่องให้ขโมยเข้ามาในบ้านได้พวกนี้วันทั้งห้าตัวเนี่ยมันเหมือนขโมยนะ มันแอบเข้ามาเวลาเจ้าของบ้านเผลอนะมันเข้ามาคลองใจเวลาเราเผลอเวลาเราลืมตัวไม่มีสติไม่มีความสึกตัวแต่พอเรามีสติมีความสึกตัวขึ้นมาอ้าวมันก็ค่อยๆเลือนหายไปนะแล้วพอมันหายไปเนี่ยนะมันจะเกิดความสบายความโปร่งบงมาแทนที่ พระที่เ้าเนี่ยเปรียบเทียบนะว่าเวลาเวลาการมาราคะมันหายไปเนี่ยมาเมื่อคนที่หมดหนี้สินนะลองดูภาพเนี่ยคนที่เป็นหนี้สินเนี่ยนะมันร้อนเงินมันอยากได้อยากได้เงินมากเพราะร้อนเงินนะกระสับกระส่ายแต่พอหนี้สินมันหมดนะพอหมดหนี้หมดสินนี่รู้สึกสบายโล่งอกไม่มีความสุกรุ่มร้อนนะ ไม่มีว่ามรึกร้อนเงินอีกต่อไปอารมณ์ของคนที่ภาวะของคนที่ไม่มีตัวการมราคาหรือว่าเป็นอิสระจากการมราคะเนี่ยแม้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยมันก็เหมือนคนที่หมดหนี้หมดสินสบายไม่ร้อนเงินต่อไปแล้วคนที่พ้นจากพยาบาลหรือเป็นอิสระจากพยาบาลก็เหมือนคนที่หายป่วยหายไข้ ยิ่งมีความกลัวมากเท่าไหร่นเนี่ยก็เหมือนว่าป่วยหนักแต่ว่าพอไอ้นิวันตัวนี้หายไปก็เหมือนกับคนที่หายป่วยหายไข้แล้วสบายกลับมาเป็นปกติแล้วคนที่เป็นอิสระจากความงงเาหงาเฮานอนเนี่ยหรือว่าความงงเาหงาเฮานอนนี่มันเลือนหายไปท่านก็เปรียบเหมือนกับว่าเหมือนคนที่ออกจากคุกนะออกจากคุกนี่โอสบายนะโล่ง ส่วนอุทจักขุกุจจานี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอิสระจากมันเมื่อไหร่ ห, หรือว่ามันเลือนหายไปเนี่ยก็เหมือนกับพ้นจากความเป็นทาตุความคนที่เป็นธาตเนี่ยก็จะพยายามดินนมด้นรนพยายามที่จะหนีพยายามที่จะเป็นอิสระให้ได้มีเชือกก็พยายามดึงเชือกมีโซ่ก็พยายามดึงโช่ดึงโซ่มันอยู่นิ่งไม่ได้เลยนะอาการคนที่มีความฟุง้งซ่านอุทจักขุกุจจาเนี่ยมันจะอยู่เฉยไม่ได้เลยเมื่อคนที่เป็นเป็นธาตถูกล่ามาไว้ ต้องหาทางหนีแต่พอเป็นอิสระแล้วเนี่ยมันก็สบายแนละ้วไม่มีความสุขอยากจะดิ้นรนต่อไปวิธีกีฬาก็เปกันนะถ้าหาว่าหลุดจากมันได้เนี่ยหลุดจากเปรียบเหมือนคนที่เดินข้ามทะเลทรายได้อย่างปลอดภัยทะเลทรายนี่มันกว้างใหญ่นะ คนที่มีวิจิตรช้าก็เหมือนกับคนที่เดินวกไปวนมาเวลาเรามีความลังเลยสงสัยเนี่ยมันจะมีความรู้ ส, สึกคล้ายคนที่เดินวกไปวนมาหาทางออกไม่เจอเนี่ยท่านเปลี่ยนมาคนที่หลงทางอยู่ในทะเลทรายเนีเ<น>วลาเราสงสัยมีความลังเลเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบ น, นั้นแต่ว่าพอเราเป็นอิสระจากความลังเลสงสัยก็เหมือนคนที่ข้ามทะเลทรายได้อย่างปลอดภัย ้นิวรณ์เหล่านี้เนี่ยนะเราสามารถที่จะปล่อยสามารถที่จะวางได้หากว่าเรามีสตินะเรามีความรู้สึกตัวแต่ว่าใหม่ๆนี่ก็สติและความรู้สึกตัวของเราอย่างอ่อนนะอันนี้คือเหตุผลที่ทำให้เรามาปฏิบัติแต่พอมาปฏิบัติแล้วเนี่ย ในตัวนิวรทั้งหเนี่ยก็จะคอยขัดขวางไม่ทําให้เราเนี่ยไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวคืออยู่ในความหลง น, นักปฏิบัติที่ฉลาดก็ต้องรู้จักหาทางนะแก้อารมณ์ของตัวหาทางปลดเปื้องใจกออกจากนิวรณ์ออกจากอารมณ์เหล่านี้มใหม่ๆจะสู้กับมันซึ่งซึ่งหน้าก็ไม่ได้นะเช่นความง่วงเนี่ยทั้งง่วงเลยจะสู้กับมันเนี่ยก็พลอยหลับได้ง่ายมาก บางทีเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ้างเปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งเป็นยืนหรือว่าจากยืนเป็นเดินถ้าหากว่าไม่ได้ผลก็อาจจะต้องเปลี่ยนสถานที่บ้างเช่นเดินไปในที่ที่มันโล่งๆเห็นที่โล่งๆกว้างๆเนี่ยใจก็ปลอดโปร่งพอใจปลอดโปร่งแล้วเนี่ยในความง่วงก็เรือนหายไปหรือว่าบรนเทาเบาบางลงบางทีเราก็ต้องใส่ตัวช่วยนะ หรือว่าทำให้เร็วขึ้นเดินให้เร็วขึ้นยกมือสร้างจังหวะให้แรงขึ้นใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่มีสติไม่มีความรสึกตัวมากพอที่จะปลดเปืเ้องใจออกจากอารมณ์นั้นได้ก็ต้องอาศัยตัวช่วยตัวช่วยส่วนที่เป็นกายนะก็คือเดินให้เร็วขึ้นยกมือให้แรงขึ้นหรือว่าพาตัวออกมาสู่ที่โล่งๆกว้างๆนะบางทีอาจจะมองไกลๆมองมองสั้นๆ ทอดสายตาสั้นๆ น, นี่ก็อาจจะทให้งงแต่แต่พอเรามองไปไกลๆหรือมองไปท้องฟ้าเนี่ยโอจะรู้สึกว่าสว่างโล่งนะก็ช่วยบรรเทาความง่วงได้ความเครียดก็เหมือนกันนะความเครียดเนี่ยนะพอเรามองออกไปที่ไกลๆนะทอดสายตาไปยาวๆสักหน่อยหรือมองท้องฟ้าก็จะรู้สึกดีขึ้นเหมือนกับว่าออกจากคุกนะเราก็เรียนรู้นะจากจากการปฏิบัติ จากประสบการณ์ของเราแล้วก็ต้องยอมรับว่าอันนี้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออันนี้วานพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมดาตามธรรมชาติเพราะว่าเราเคยติดอยู่กับแสงสีเสียงข้อมูลข่าวสารที่บ้านที่ทำงานมันมีสิ่งกระตุ้นเราเยอะแยะไปหมดมันกระตุ้นให้เราตื่นเหมือนกับคนที่ติดกาแฟเนี่ยก็มีกาแฟเป็นตัวกระตุ้นให้ตื่น แต่พอมาอยู่ในวัดอ ย, อยู่ในกลับมาอยู่มาอยู่ในป่าอยู่ในทางจงกรมสิ่งเรามีน้อยนะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับใครมันก็ไม่มีสิ่งที่กระตุ้นเราให้ใจตื่นหรือว่ า, าเกิดความตื่นตัวขึ้นมาก็คล้ายค้ากับคนที่เคยติดกาแฟแล้วไม่ได้กินกาแฟเนี่ยมันก็จะมีอาการง่วงเพราะว่าเคยชินกับสิ่งเรา้าพอไม่มีสิ่งเล่าก็จะ ง่วงได้ง่ายมากแต่ว่าทําไปทํไปจิตมันก็ปรับตัวได้ถึงแม้มีสิ่งเล่าน้อยๆใจก็ตื่นได้เมื่อคนที่ใหม่ๆเนี่ยเลิกกาแฟใหม่ๆก็จะง่วงนะแต่ว่าพอไม่ได้กินกาแฟาไปนานๆก็เฉยได้จิตใจกลับมาเป็นปกติได้ไม่เปต้องพึ่งกาแฟาเป็นตัวกระตุน้น ก็สามารถที่จะตื่นได้อันนี้มันเกิดจากการที่ใจปรับตัวจกนกระทั่งสามารถที่จะเอาขับไล่นิวรนออกไปโดยเพราะนิวรนตัวเล็กๆกคือความง่วงวร่างกายถ้ามันปรับได้มันก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งกาแฟก็ได้ไม่ต้องพึ่งบุหรี่ไม่ต้องพึ่งสิ่งเสพติดสิ่งกระตุ้ล้อมก็ตื่นตัวขึ้นมาได้อันนั้นเป็นส่วนกายใจก็เหมือนกั น, นก็ปรับได้ ถ้าว่าเราไม่ยอมแพ้นะกับความง่วงเข า, าอนอนง่วงแต่เราไม่นอนเราก็ในส่วนจิตมันก็ปรับตัวได้ส่วนความเครียดเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นความเครียดความฟุ้งซ่านก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติมากอันนี้ก็ธรรมดาเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาง่วงนะจิตมันก็ต้องไปาหาสิ่งเรา ถ้าไม่มีรูปลดกินเสียงสัมผัสมากระตุ้นให้มันตื่นมันก็จะหาเรื่องคิดแทนนะพอมีเรื่องคิดความคิดก็เป็นตัวกระตุ้นให้จิตมันตื่นนะมันก็เลยมันก็เลยหาเรื่องคิดใหญ่เลยเพราะว่าอาหารของจิตเนี่ยคือความคิดนะมันต้องมีความคิดเป็นพักษาอาหารแต่ก่อนอยู่ที่ทํางานก็มีโนนมีนี่ให้คิด พอมาปฏิบัติแล้วไม่มีอะไรคิดมันก็หาเรื่องคิดเองบางทีก็เอาเรื่องเก่าๆมาคิดเหมือนกับวัวนะวัวเนี่ยพอมันไม่มีหญ้ากินมันก็เคี้ยวเอื้องเลยเอาของเก่ามาเคี้ยวนะใจเราก็เหมือนกันพอไม่มีอารมณ์ใหม่ๆมาให้ใ ห, ให้เสพไม่มีเรื่องใหม่ๆมาให้คิดมาให้รับรู้ไม่มีข้อมูลข่าวสารมาให้ใหเสพมันก็เอาเรื่องเก่าๆเนี่ยออกมาให้กินเสพ มันก็บวัวเคียวเอื้องเราก็รู้ทันนะมันก็เป็นธรรมดาก็อย่าไปหลงตามความคิดมากเราปฏิบัติไปก็จะรู้นะว่าเนี่ยใจของเราเนี่มันลืมตัวได้ง่ายมากเดินประเดี๋ยวเดียวก็ลืมตัวแล้วยกมือสร้างจอบประเดี๋ยวเดียวก็ลืมตัวแล้วคือลืมว่ากําลังทําอะไรมือก็ยกไปแต่ใจไม่รู้ไปไหน เท้าก็ก้าวไปแต่ใจไม่รู้ไปคิดเรื่องอะไรอันนี้เรียกว่าลืมตัวคือไม่รู้วตัวเองกำลังทําอะไรอยู่แต่มันก็ไม่ถึงกับลืมตัวแบบคนบ้าหรือคนเมานะเอาคนบ้าคนเมานี่ลืมตัวทิ้งช่วงนานแต่พวกเรานักปฏิบัติจะลืมตัวเป็นพักๆเรียกกลับมารู้ตัวใหม่แล้วเดี๋ยวก็ลืมอีกนะส่วนใหญ่ความหลงมันจะมากกวความรู้ตัวนะ ปฏิบัติไปร้อยส่วนนี่ก็จะหลงสัก90สส่วนอีกส่วนอีกสิบส่วนนี่ก็รู้ตัวแต่พอทำไปทำไปความรู้ตัวก็จะมากขึ้นถ้าทาถูกนะความตัวก็จะมากขึ้นเป็น20เป็น30ส่วนความหลงก็จะลดลงนะจาก80ก็แต่ ก, ก่อนอาจจะ9ก้0ก็เหลือแความรู้ตัวนี่มันเกิดขึ้นมาเองนะจะไปบังคับมันก็ยาก กามีสติระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่มันก็เกิดขึ้นมาเองแต่ถ้าเรามีสติเมื่อไหร่มีความสึกตัวเมื่อไหร่เราจะรู้เลยว่ามันวางมันจะวางได้มันจะวางความคิดมันจะวางอารมณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นการมาราคาม่าจะเป็นพยาบาทความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านมันจะวางแต่สักพักมันก็จะมาใหม่อันนี้ก็ธรรมดาเหมือนกันแต่เราก็จะพบว่าเออ ในการปฏิบัติเนี่ยนะถ้ามีความมีสติมีความสึกตัวเมื่อไหร่การปล่อยกลางการวางก็จะเป็นเรื่องที่ทําได้ไม่ยากที่แรกก็วางนิวรนก่อนหรือวางความคิดนะไม่เผลอตามไม่เผลอไพลไปตามความคิดแต่ต่อไปการปล่อยวางเราก็จะทําได้ได้มากขึ้นมากขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติ ซ, ซึ่งต้องอ มันจะมีความก้าวหน้าเป็นลําดับไปแต่ใหม่ๆก็ให้ให้รู้ทันความคิดก่อนแต่จะให้รู้ทันความคิดเลยก็อาจจะยังยากสําหรับผู้ใหม่นะบางทีเพียงแค่ให้รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ก็พอแล้วรู้ว่ากายกําลังทําอะไรอยู่ที่เขาเรียกว่ารู้สึกนะรู้สึกรู้สึกครูบาอาจารย์จะพูดบ่อยใช้คำว่ารู้สึกก็คือว่ายกมือก็รู้สึกเดินก็รู้สึกนะแต่ถ้าใจไม่อยู่กับนึกกับตัวเมื่อไหร่มันก็ไม่รู้สึกนะ ใจไปที่บ้านใจไปที่ทำงานมนก็ไม่รู้สึกหรอกว่ากาลังเดินกาลังยกมือหรือว่ากาลังกินข้าวอาบน้ำก็ไม่รู้สึกนะแต่ว่าถ้าใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมีสติมีความสึกตัวร่างกายทำอะไรก็รู้สึกไม่ใช่แค่ยกมือเท่านั้นนะเกลื่อนน้ำลายกระพริบตาก็ต่อไปก็จะรู้สึกได้นะมันจะรู้สึกแม้กระทั่งใน ความเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนของกาย ต, ตรงนั้นเราก็จะเป็นบาตรฐานทําให้ไปรู้เท่าทันสิ่งที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่านั้นก็คือความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกนะมันเป็นจังหวะมันเป็นขั้นตอนนะการปฏิบัติถึงที่สุดก็คือการปล่อยวางนั่นแหละนะเริ่มจากการปล่อยวางเรื่องพื้นพื้นอารมณ์หรืออารมณ์ที่เป็นอกุศลก่อนแล้วต่อไปก็จะปล่อยวางถึงขั้นอ่านะ ละความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูได้อันนั้นเรียกว่าปล่อยวางอย่างถึงที่สุดนะอย่างที่เราได้สาธิยมัทสกูลเนี่ยฐานทั้งหาเป็นของหนักนะการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนะสลัดเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอ้าวคำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะอ้ะกากราบพระ